ความเข้าใจเกี่ยวกับศัพท์ที่เกี่ยวข้องเรื่องที่สองสังขารในขันห้ากับสังขารในตรายลักษณ์ในภาษาไทยมีตัวอย่างมากมายที่คำพูดหรือคำศัพท์เดียวกันแต่มีความหมายต่างกันหลายอย่างที่ต่างกันเล็กน้อยยังมีเค้าความหรือลักษณะบางอย่างคล้ายคลึงหรือพอเทียบเคียงกันได้ก็มี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 ที่งอกออกมาจากหัวสัตว์บางพวกกล่าวได้ว่ามีลักษณะคล้ายกันอยู่บ้างแต่เขาที่เป็นสรพนามบรุษที่สากับเขาที่เป็นชื่อนกพวกหนึ่งของพูดได้ยากว่ามีอะไรใกล้เคียงหรือเทียบคล้ายกันได้อย่างไรก็ตามสําหรับผู้ที่เข้าใจความหมายนัยยะต่างๆของถ้อยคําดีแล้วและได้ยินได้ฟังได้ใช้อยู่จนเคยชินเมื่อพบคําเช่นนั้น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 พอได้ยินว่าจะพบลมใหญ่ก็จะเป็นลมเขาหักพวงมาลัยหลบเด็กขายพวงมาลัยอย่าทำล้อเล่นรถนี้มีแค่สองล้อพอหนังจบเขาก็รีบคว้ากระเป๋าหนังรุดไปที่ทำงานตายังตาดีแต่ฝันไม่ดีการาน้ำนั้นหากินในน้ำ กาน้ำนี้คนขายกาแฟใช้หากินเพราะเสียดสีจึงเสียสีร่วงโรดไม่ร่วงโรยดังนี้เป็นต้นในภาษาบาลีก็เช่นเดียวกันมีศัพท์มากมายที่มีความหมายหลายไยยะผู้ได้เล่าเรียนดีแล้วแม้พบศัพท์เหล่านั้นที่ใช้ในความหมายหลายอย่างปะปนกันอยู่ก็สามารถจับแยก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 ในทางพระวินัยหมายถึงวัตถุที่เป็นเครื่องหมายเขต ท, ที่ประชุมสงฆ์บ้างหมายถึงอาการสแสวงหาลาภในทางที่ผิดด้วยวิธีขอเขาแบบเชิญชวนโดยนัยะบ้างแต่ในทางธรรมปฏิบัติหมายถึงภาพที่เห็นในใจในการเจริญกรรมฐานคำว่านิกายหมายถึงหมวดตอนในพระไตรปิฎกส่วนพระสูสดก็ได้หมายถึงคณะนักบวช หรือกลุ่มสาสนิกที่แบ่งกันเป็นพวกๆก็ได้คำว่าปัจจัยในทางพระวินัยหมายถึงเครื่องอาศัยของชีวิตเช่นอาหารแต่ในทางธรรมหมายถึงเหตุหรือเครื่องสนับสนุนให้ทำอื่นเกิดขึ้นขอให้พิจารณาความหมายของคำศัพท์เดียวกันที่ต่างใยยะกัรออกไปเมื่อใช้ในข้อความต่างๆดังตัวอย่างต่อไปนี้ข้อความแรก ภิกษุรูรสด้วยลิ้นอร่อยก็ตามไม่อร่อยก็ตามเธอไม่ปล่อยให้ความติดใจหรือความขัดใจเข้าครอบงาจิตภิกษุนี้ชื่อว่าสำรวมอินทรีย์คือลิ้นข้อความที่สองอินทรีย์คือศรัทธามีการยังทำทั้งหลายที่ประกอบอยู่ด้วยให้เข้าถึงภาวะผ่องใสเป็นรสประดุดดังสารส้ม หรือมีการวิ่งแล่นไปหาอารมณ์เป็นรสภิกษุพึงเจริญอินทรีย์คือศรัทธานั้นคำว่ารสก็ดีอินทรีย์ก็ดีในข้อความสองท่อนนี้มีความหมายต่างกันในข้อความแรกภิกษุรู้รสด้วยลิ้นอร่อยก็ตามไม่อร่อยก็ตามรสหมายถึงสิ่งที่รู้ด้วยลิ้นหรือสิ่งที่เป็นอารมณ์ของจิ๋วหาวิญญาณ เธอไม่ปล่อยให้ความติดใจหรือความขัดใจเข้าครอบงำจิตภิกษุนี้ชื่อว่าสำรวมอินทรีอินทรีหมายถึงสิ่งที่เป็นเจ้าการในการรับรู้อารมณ์กล่าวคืออายตนะภายในส่วนในข้อความหลังศรัทธามีการยังทำทั้งหลายที่ประกอบอยู่ด้วยให้เข้าถึงภาวะผ่องใสเป็นรถมีการวิ่งแล่นไปหาอารมณ์เป็นรถรถ หมายถึงกิจหรือหน้าที่ภิกษุพึงเจริญอินทรีย์คือศรัทธานั้นอินทรีย์หมายถึงกุศลธรรมที่เป็นเจ้าการในการกำราบอากุศลธรรมที่เป็นปฏิบัติข้อความว่าภิกษุพึงกระทําโยคะเพื่อบรรลุธรรมเป็นที่ปลอดภัยจากโยคะโยคะคําต้นหมายถึงการประกอบความเพียรในการเจริญภาวนา คือฝึกฝนพัฒนาจิตปัญญาโยคะคำหลังหมายถึงธรรมคือกิเลส ท, ที่ประกอบคือเทียมหรือผูกมัดสัตว์ไว้กับทุกข์ในภพข้อความว่าปุตชนมองเห็นรูปบ้างเวทนาบ้างสัญญาบ้างสังขารบ้างวิญญาณบ้างว่าเป็นตนแต่ขันทั้งห้านั้นจะเป็นตนหาได้ไหม เพราะสังขารทั้งหลายทั้งปวงล้วนไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาคือไร้ตัวมิใช่ตนทั้งสิ้นสังขารคำแรกหมายถึงเพียงขันหนึ่งในบรรดาขันหแต่สังขารคำหลังครอบคลุมความหมายของสังขารธรรมทั้งหมดที่เป็นไปาตามไตรลักษณ์คำเกี่ยวข้องที่ต้องการอธิบายในที่นี้คือสังขารแต่ที่ได้ยกตัวอย่างคาอื่นๆมาแสดงไว้มากมาย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 สังขารที่ท่านใช้ในความหมายต่างๆหลายไยยะก็จะไม่เห็นเป็นของแปลกและจะเข้าใจมองเห็นตามได้ง่ายคำว่าสังขาร น, นั้นมีที่ใช้ในความหมายต่างๆกันไม่น้อยกว่า4ี่ยยะแต่เฉพาะที่ต้องการให้เข้าใจในที่นี้มี2องยยะคือสังขารที่เป็นข้อหนึ่งในขัน5กับสังขารที่กล่าวถึงในตรายักษ์เพราะสังขารสองไยยะนี้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 นัยยะที่สองสังขารในไต ร, ล, ตรลักษณ์ไตรลักษณ์คือลักษณะสามได้แก่สังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ทำทั้งปวงเป็นอนัตตาขอนำความหมายทั้งสองนัยยะนั้นมาทบทวนโดยเข้าคู่เทียบให้เปรียบกันดูดังนี้สังขารนัยยะที่หนึ่งสังขารซึ่งเป็นข้อที่สี่ในขันห้า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 เมตตากรุณาปัญญาโมหะโลภะโทสะเป็นต้นคำพีอภิธรรมจำแนกไว้50อย่างเรียกว่าเจตสิกห0ในจำนวนทั้งหมด52ซึ่งทั้งหมดนั้นล้วนเป็นนามธรรมมีอยู่ในใจทั้งสิน้นนอกเหนือจากเวทนาสัญญาและวิญญาณสังขารในยะที่สองสังขารที่กล่าวถึงในไตรลักษ